สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสเสนอรายการาธรรมะรับอรุณรายการธรรมะรับอรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอ ก, การสนทนาธรรมระหวา่างพระอาจารย์ไพบูลอภิปุลโนวัดป่าดอนหายโศก อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและนางเตือนใจสินทวั น, นิรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ คาะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารบุรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะออกอากาศในระบบเอ fm พร้อมกันนะคะเอฟกาเก้าสองจุดหเมกะเฮิร์สเอ็มแปดร้อยสิเก้ากิโลเฮิร์ค่ะในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะคะ เราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมนะคะเป็นอ า, อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วล่ะค่ะวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเพอแป๊บเดียวนะคะก็มาถึงเดือนมีนาคมแล้วก็สิ้นสุดเดือนมีนาคมแล้ววันนี้เป็นวันแรมแปดข่ำเดือนสี่ปีขาด น, นะคะก็จะขอนําทั้งฟังทางบ้านมากราบนมัสการาพระอาจารย์ภับูลอภิปุโนซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ หัวแก้วหัวแหวนเลยนะคะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิดุภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะอย่างที่ท่านได้เรียนสัญญากับท่านผู้ฟังไว้แล้วว่าในเช้าวันนี้คือวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่ทีห้าเป็นต้นไปคือณเวลานี้ล่ะค่ะก็จะได้มาสาักกาหรือสนทนาธรรม เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะคะขอนาท่านผู้ฟังมากราบน้ำรสการพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ำสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาแต่จะเป็นพานเจ้าค่ะวันนี้อาการพระอาจารย์ดีขึ้นไหมเจ้าคะเสียงป่วยเลยก็เป็นหวัดนิดหน่อยเจ้าขาก็อักเส คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ฟังเสียงพระอาจารย์ตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้ก็คงจะรู้ว่าพระอาจารย์ไม่สบายนะเจ้าคะ่ะต้องรักษาตัวด้วยเจ้าคะ่ะทางอุดร อ, อากาศเย็นไหมเจ้าคะ่ะก็มีอยู่วันหนึ่งที่อุณภูมิเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากจาก32เนี่ยจนมาเหลือ15องศาอืมเจ้าค่ะแค้เวลาสิบกว่าชั่วโมงแล้วเราก็เลยและช่วงนนช่วงที่มีการปฏิบัติธรรมด้วยก็เป็นอะไรที่ทดสอบผู้ดิเก้นปฏิบัติเหมือนกันอืมเจ้าค่ะวันละมาก็ ยัง <c oughs> ไม่ได้เตรียมตัวเรือเ่องผ้ห่มผ้าอะไรก็เลยเป็นหวัดไปด้วย <c oughs> ขนาดอแข็งแรงอยู่นะเจ้าค่ะก็ต้องระวังด้วย <c oughs> อ่าวันนี้เราจะสนทนาธรรมหรือว่าสักชาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องที่แท้จริงตามที่เออ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ได้ส่งวางแนวทางไว้นะเจ้าค่ะ <c oughs> ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรโยมก็ขอ กับขอความเมตตาพระจันทร์ไปบูรณ์ได้ชี้แจงแสดงธรรมให้ทั้งมุฟังทางบ้านได้รั บ, บทราบเลยเจ้าค่ะสเรื่องจากว่าที่เราได้คุยกันว่าการที่จะเอาใช้ประพุติประกรมทมประสงค์เป็นที่พึ่งในลักษณะที่ถูกต้องในธรรมวินัยคํำสอนปริชาเนี่ยอาจจะทําลักษณะไหนคือถ้าใครสักคนในคนห น, นหึ่งคุณเนใจมีความทุกข์มีความทุกข์กอย่างเช่นว่าสอบไม่ผ่านการงานไม่ดีเจ้านายไม่รักพ่อแม่ไม่ชอบ อย่างนี้นะค่ะเอ่อเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีมีเรามีความทุกข์พอมีความทุกข์อย่างเนี้ยถ้าใครเนี่ยเอ่อเอาเขาเรียกว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสวนศักดิ์สิทธิ์ตาศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นที่พึ่งเนี่ยเช่นไปบนบานสารกล่าวนะไปสารเจ้าสารพระภูมิบนบานอันนี้อ่าพระรูปเจ้าบอกว่าไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงเขาจะไม่พ้นไปจากทุกข์ได้แต่ถ้าใครเนี่ยใช้ อ่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจึงต้องมาตีความกันว่าคําว่าใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยหมายความว่าอย่างไงอ่าเช่นว่าคุณไปอยู่บอกว่าเขาบอกว่าต้องไปวัดเก้าวัดนะไปไหว้พระเก้าวัดคือไปไหว้พระเนี่ยก็ดีอนะไหว้พระนี่หมายถึงไหว้พระพุทธเจ้าอนะแต่ถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้อยู่ที่ไหนคุณเดินใจก็เชื่อมั่นว่าพระองค์ท่านเอ่ออยู่ใน สูงสวรรคชั น, นดาวดึงมังเจ้าคะเพราะว่าปรินิพานไปแล้วใช่ใช่เจ้าค่ะแล้งป ร, รินิพานไปแล้วเนี่ยก็คือจะไม่ไปเกิดที่ไหนอีกนะค่ะก็คือถึงแก่ถึงแก่ความดับหมดสิ้นซึ่งถูกจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าอการที่เป็นเทวดาอยู่แสดงว่ายังไปเกิดอยู่พระรพุทธเจ้าก็จะไม่ได้อยู่เป็นเทวดาเหมือนกันเจ้าค่ะพระพุทธเจ้ากลับไว้ชัดเจนตอนก่อนปรินิพานนะไรกับพระอานนท์บอกว่า อกายของสถานคตยิยังตั้งอยู่เพียงใดเนี่ยเทวดาและมนุษย์ก็จะเห็นเราอยู่แค่นั้นถ้าเมื่อไหร่ที่กายของเราแใจดับไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีใครได้เห็นสถานคติอีกเลยอเปรียบเหมือนเมื่อขัวขว้วขวางมะม่งวงขาดแล้วเนี่ยก็จะไม่มีใครเห็นอืงนั้นถามว่าคุณต้องไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปองนี้แล้วบอกว่าเพราะฉะนั้นจะระลึกถึงพริรุจ้าอันนี้ดีนะคือถ้าคุณระลึกถึงบริรจ้าจริงๆแล้วก็คุณก็บอกว่าไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปองหนึ่ง คนะที่การคนละวัดกันแล้วก็บอกว่าจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าถามคนที่ไปเนี่ยบอกว่าคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าจริงจริงหรือเปล่ า, าพระพทธเจ้าต ล, ลาดวัดก่อนรพระพิพานบอกว่าอเราจะไม่อยู่แล้วนะให้เธอเนี่ยเอาธรรมเอาวินัยเนี่ยเป็นศาสดาแทนต่อไปสามารถทำวินัยที่พูดถึงคําสอนของพระุธองค์ก็คือเอาธรรมะนี่แหละเป็นศาสนาแทนต่อไปใช่ไหมถู <Okay. S 1> มกค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าอยู่ตามหนังสือ แอยู่ตารหนังสือก็คือหนังสือนึกออกใช่ไหม ค, คนที่จะเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งได้ต้องอยู่ในใจเพรา ะ, ะนั้นถ้าคุณอยู่ที่บ้านก็ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า่อย่างเงี้ยจริ ง, รงๆก็สามารถทําได้เนาะการที่เราไปวัดตามที่ต่างๆเนี่ยการที่เราไปอ่าบนบานศาลกล่าวหรืออะไรเนี่ยนะมันเป็นการระลึกถึงเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่นั้นโจ้ค่ะถ้าส ม, มุตคุณไปที่วัดนี้เพื่อ ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่คุณไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นนะคุณไม่ได้ไปหาพระพุทธเจ้าดันั้นถ้าใครยังใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นที่พึ่งอยู่ที่นอกเหนือจากพระพุทธธรรมะงค์เนี่ยก็จะยังไม่พ้นจากทุกจริงถามว่าเทวดาเองเนี่ยนะยังต้องเกรงใจพระพุทธเจ้านะอืมเกี่ยวดานะ <Okay. S 2> เทวดาเนี่ยบางองค์เนี่ยบางรูปที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยคิดว่าตัวเองอยู่มานุนานพอมาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าตัวเองเนี่ยก็อยู่ในนความมทกเหือนัน อภิ <Okay. S 2> เดชา่าบอกว่าพระองค์เนี่ยเปรียบเสมือนสีหาหน่าเปรียบเสมือนสีห์คือพยาสีหะที่ออกจากถ้าเนี่ยพยาสีหะเนี่ยเวลาออกจากถ้ำนะคุณสนใจ <Okay. S 2> เขาจะต้องเอเขาเรียกว่ารบรรลือสีห์หน้าคืออ่ร้องไปไปสี่สี่ด้านสีทิศส <Okay. S 2> ัตว์เหล่าไหนเนี่ยที่อ่ได้ยินเนสียงหน้านี้แล้วเนี่ย <Okay. S 2> เช่นสัตว์ที่อาศัยในโพรงก็เข้าโพรงสัตว์ที่อาศัยในน้ำก็ลงน้นํานกทั้งหลายเนี่ยก็บิน ผู้พลังกาพวกช้างของพระราชาในหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงเนี่ยก็เชื่อมให้ขาดแล้วก็ถ่ายอุจจ ร, ระปัสสาวะหนีเงินไปโดยท้างนู้นข้างนี้อืมใช่ค่ะอา่าแล้วก็ออกหาอาหารพญาสีห์เห็มีฤทธิ์มากขณะ น, นี้ก็เปรียบเทียบกับพระองค์กับพวกเทกวดาแต่เทวดาโดยเปรียบเทียบพระองค์เนี่ยเป็นพญาสีห์เทวดาทั้งหลายเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่อา่าเป็นพวกสัตว์ทั้งหลาย เขาก็ต <behav> ้องมารู้ส <or S 1> ึกเหี่ยวแห้งใจว่าพวกเราเนี่ยก็ยังไม่พ้นไปจากความทุกข์แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพ้นจากทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบปริธานุภาพนะคุณเดินใจเอาแค่ตัวอาตมาเอาตัอาตมาหรือสามกษัตรยในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยแสงเนี่ยพลังเนี่ยอาจจะเท่ากับดวงดาวแสงดวงดาวนะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับแสงธาิตออืม่ิซึ่งมันต่างกันมากใหญ่กว่ามากต่างกันมากโดยโโหหาเท่าประมาณไม่ได้ แต่ยิ่งนี่คือสาวกในชิวปุตตการเนี่ยนะถ้าสาวกในยุค ย, ยี่นี้นะโอ้โหเทียบไม่ติด <S <S ่นในเรื่องความสามารถเพราะฉะนั้นถ้าเราประลึกถึงเนี่ยให้เราเลือกสิงพระพุทธเจ้าจริงๆโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราบูชาได้ตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าถ้าคุณมีทุกข์อยู่เนี่ยคุณต้องการค้นทุกข์จริงๆเนี่ยให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าแเรื่องการแก้บนการไปบนบานศาลกล่าวเนี่ยอาารย์มาจะบอกให้ ถ้าไม่งั้นทำไมพรพุทธ้าไม่สอนนะเออฉันต้องการเป็นพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวฉันเอาอ่าอาหารบินรบาดเนี้ยบนกับต้นไม้นี้ก็ขอให้ฉันเป็นพุทธเจ้าค่ะเออทาไมพุทธเจ้าไม่ขอนั่งอยู่ใต้ต้นไม้โผล่คอให้ฉันเป็นพระพเจ้าไม่ได้ขอแต่พระพุทธเจ้าอธิษฐานจุกค่ะในะการขอเนี่ยไม่ใช่วิสัยของคุณพระรูปพระธรรมประรสงค์เป็นที่พึ่งจค่ะแต่ถ้าคุณใช้พระพุทธประธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยคุณต้องอธิษฐาน อธิษฐานตัง้งคำข อ, อยังไงคุณเตือนใจอ่านก็ตรงที่ว่าการอธิษฐานเนี่ยแปลว่าการตั้งใจอย่างแรงกล้าตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ใต้ต้นไม้โพในคืนวันที่ ส, สรุ้เนี่ยก็ไม่ได้ขอนะเขาขอให้ฉันเม็นระพาไม่ได้พูดตแต่อธิษฐานจิตบอกว่าถ้าชั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะจักไม่เลิกทําความเพียร น, นี้คือไม่เลิกการ น, นั่งสมาธิองค์คืออธิษฐานอย่างนี้ <Okay. S 2> ถ้าคุณมีปัญหาในชีวิตสอบไม่ได้ต้องการสอบให้ผ่านอไม่ได้เลื่อนขั้นต้องการทํางานให้ดีขึ้นให้คุณอธิษฐานนะ ต, ตั้งจิตถึงพระพุทธธรรมระสง่งอธิษฐานว่าฉันจะไม่เลิกทําความดีเลยไม่เลิกเขาเรียกว่าพูดอย่างอ่อนน้อมไม่เลิกการพูดอย่างดีๆกับคนอื่นถ้าฉันยังสอบไม่ผ่าน <Okay. S 2> ฉันถ้าฉันไม่าจะไม่เลิกการอ่านหนังสือวันละสิบชั่วโมงเลยถ้าฉันสอบไม่ผ่านอย่างเงี้ยโอเค อธิษฐานต้องอธิษฐานอย่างนี้อย่าไปเที่ยวขอเจ้าค่ะถ้าอาธิษฐานเรื่องการงานหรือขอให้ขายที่ดินได้เนาะ mm hmm. ก็บอกอธิษฐานมาฉันจะไม่เลิกการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเลยจนกว่าจะขายที่ดินได้อืมเจ้าค่ะอย่างนี้อันนี้คือการอาธิษฐานคือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเจ้าค่ะ ต้องบอกชัดเจนเลยว่าการขอเนี่ยไม่ใช่วิสัยของคนที่ถือพระพุญกุศระสมเป็นที่พึ่งแสดงว่าคุณเนี่ยไปเอาสิ่งสิส่งลูกคเทวดาเจดีอะไรต่างๆเป็นที่พึ่งแล้วอันนั้นไม่ถูกเจ้าค่ะพราชาเขาพูดไปชัดเจนมากบุคคลใดมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะเนี่ยไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะจะเป็นพุ้งทิ้งความกเกษมพ้นจากทุกได้เออเจ้าค่ะอืมก็ามาคือพุ่งใช้ตัวของเราเองใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้อ ง, ง ค, คุณตัวคุณเองทําที่ไหนไหม ตัวคุณเองยังทำสิ่งที่ไม่ดีไหมตัวคุณเองทำสิ่งที่เรียกว่าดีแล้วดีอีกได้อีกไหมอย่างนี้น ะ, ะการนับถือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็เคารพได้ตามสมควรใช่ไหยเดี๋ยวเรายังบูชาพ่อแม่อยู่บูชายตาิผู้ใหญ่อยู่ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีในขณะเดียวกันเราก็สามารถใช้พระพุทธธรรมประสงคเ์เป็นที่พึ่งได้ในลักษณะนีะ้ซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้เนี่ย มันต้ออาศัยกําลังจิตที่สูงคุณจนใจนึกถึงคนอสภาพของเว่นขยายแล้วถ้าเคยใช้แว่นขยายอะนะจุกค่ะแวนขยายเนี่ยจะมีคุณสมบัติของการรวมแสงถูกไหมใช่ค่ะจุกค่ะถ้าเราปรับเขาเรียกว่าปรับระยะของการรวมแสงให้ถูกต้องเนี่ยพลังของแสงแบบที่มารวมกันเนี่ยสามารถเผากระดาษได้สามารถจุดหัวไม่ขีดเท็จนติดได้โดยที่ไม่ต้องขูดกับกระดาษปลาที่ไม่ขีดถูกไหมจุกค่ะ มีกำลังอำงนาจที่มากตรงเนี้เป็นกําลังที่เกิดจากการรวมแสายของเร่นขยายเช่นเดียวกันกับจิตของเราบนเดินใจจิตของเราเนี่ยถ้ามันสัดสายไหลไปผิดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวไม่ได้คิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าไปทําพระสองค์อย่างเดียวไปคิดถึงเรื่องอดีตธนาคตสิ่งเครื่องรางของขังอะไรต่างๆอีก <Okay. S 1> ไม่มีกําลัง <Okay. S 1> ไม่อยากคิดถึงแม่คนนี้มันก็คิด คิดือเรื่องที่ทําให้เราเจ็บช้ำ น, น้ำใจไม่อยากคิดเดี๋ยวมันก็กลับมาอีก hmm. <Okay. S 2> ที่กําลังนี่อย่างนี้สิทธตที่ไม่มีกําลังเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ <Okay. S 2> เหมือนแม่นขยายที่ไม่สามารถปรับระยะให้ถูกต้องได้ก็ไม่มีพลังอะไร <Okay. S 2> ภาพก็โม่ๆดูภาพก็ไม่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกจิตของชาวพุทธเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะ <Okay. S 2> ถ้าบอกคุณเป็นชาวพุทธเนี่ยแล้วคุณไม่ฝึกจิตให้มีกําลังยังพูดได้ไม่เต็มปากหรอก เพราะว่าการฝึกจิตให้มีกําลังเนี่ยนอกจากจากระรู้ถึงพุะจ้าได้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยอำ น, นาจจิตมากของเราเนี่ยจะสามารถสั่งจิตได้ <Okay. S 1> อาจารย์มาจะยกตัวอย่างบอกว่าถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงสักอย่างหนึ่งอนะเป็นหมาก็ได้เป็นแมวก็ได้เนี่ยทำไมคุณไม่เอาเสือหรือว่าหมาป่ามาเลี้ยงทั้งทั้งที่พวกเสือพวกหมาป่าเนี่ยสัตว์ป่าเนี่ยมันสมบูรณ์ด้วยกําลังความเร็วและการหาอาหารแล้วก็สัญชาตญาณในการเอาตัวรอด แต่สัตว์พวกนี้มันเลียงไม่เชื่องเราสั่งให้มันซ้ายมันจะกินเราแล้วถ้ามันขวามันจะหนีอย่างเงี้ยแต่หมาแมวที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้ามาอ๋อเรามาให้เราให้อาหารเราไม่อหารมันเดี๋ยวมันก็ตายต้องป่วยต้องมาไปหาหมอด้วยซ้าเหมือนกันจิตของเราคุณเดินใจถ้าเราไม่สามารถสั่งจิตได้นะมันใช้งานไม่ได้ไม่ได้เรื่องคสั่งจิตให้ซ้ายมันต้องสายสั่งให้นิ่งมันต้องนิ่ง สั่งให้นิ่งมันยังไปคิดเรื่องนี้สั่งให้ซ้ายทางให้คิดเรื่องนี้มันมันไม่คิดให้บางคนเข้าห้องสอบคุณเป็นใจเป็นนักเรียนไงเข้าห้องสอบคิดไม่ออกนะหรือบางทีบางคนมีปัญหาในชีวิตต้องคิดงานนี้ให้ออกแต่คิดไม่ออกอย่างนี้เจ้ค่ะมันมันก็เป็นจิตที่ใช้งานไม่ได้เรื่องเจ้ค่ะเรื่การฝึก จ, จิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญของชาวพุทธที่ต้องการใช้ประพุพทธธรรมประสงคเป็นที่พื้ิจริงๆเจ้าค่ะยมอยากถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เาค่ะว่า อ่าถ้าเผื่อท่านผู้ฟังทางบ้านมุ่งมั่นอยากที่จะฝึกจิตให้มีกําลังหรือว่ามีพลังเนี่ยเจ้าคะพระอาจารย์พอจะมีวิธีการง่ายๆที่จะแนะนำไหมเจ้าคะว่าทำ อ, ย, อ, อย่างไรเจ้าคะ่ะเจ้าค่ะอันดับแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทําศีลให้ดีก่อนเจ้าค่ะคนที่มีศีลดีแล้วเนี่ยจะมีความไม่ร้อนใจ้าค่พอไม่ศีลดีเนี่ยหมายความว่าศีลบ ร, ะนะ ร, ร, ริบูรณ์นะนะบทปรสุทธดบริบูรณ์ ่่อาสมมติเราทำไม่ได้ห้าข้อแล้วก็เอาสี่ข้อก่อนนะสี่ข้อทำไม่ดีขึ้นดีขึ้นเราจะไม่ได้ห้าข้อเราจะมีความไม่ร้อนใจนะไม่ร้อนใจเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าอย่างเช่นถ้าคุณอทำสี่ข้อสามอย่างดีเนี่ยแล้วก็ไม่พูดจาคนอื่นนะไม่ไปปิดรูปมีใครคุณไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องมีความร้อนใจเลยว่าจะมีคลิปวิดีโอไปโปรในอินเทอร์เน็ตเนาะนะอันนี้จะเป็นความสบายใจของบุคคลผู้นั้นได้ อ่าอันนี้อันดับแรกคือต้องมีสีนะอันดับที่สองจะมีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นในจิตนั่งสมาธิฟองไม่ร้อนใจสบายใจแล้วเนี่ยจะสามารถกําหนดสติได้นะอันดับที่สามนะหลังจากเราไปฝึกฝึกโดยใช้สติสติที่พูดถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้ใช้ลมหายใจในการที่จะฝึกสติ <Okay. S 1> ลมหายใจในการฝึกให้จิตเนี่ยมีสติพอจิตที่มีสติแล้วเนี่ยคุณสามารถปล่อยวางความคิดที่ฟุ้งซ่าน ปล่อยวางความอยากในกามปล่อยวางความพยาบาทปล่อยวางความว่วงเหวหอนอนได้จิตจะเป็นสมาธิ <Okay. S 2> จิตเป็นสมาธิเนี่ยจะเป็นจิต ท, ที่ปริชาเฟื่องเฟือเหมือนว่าก่อนนุ่มอ่อนโยนคว ร, ควรแัด ก, การงานนะเหมือนกับทองที่ก่อนที่ช่างทองเขาจะเอามาทําเป็นสร้ อ, อยคอสร้อยทองอะไรต่างๆนี่นะเขาต้องเผาหลอมให้ดีทําให้เนื้อมันนุ่มมันอ่อนถ้ายังมีเศษตะกัว่วทรายหินอะไรต่างๆเขาใช้งานไม่ได้ เหมือนกันจิตของเราเนี่ยถ้าเป็นจิตที่มีสนิมของจิตเนี่ยพวกเครื่องอความว้าวุ่นใจความกังวลใจไม่สบายใจต่างๆความเครียดแค้นเนี่ยจิตก็จะไม่เป็นสมาธิให้ <Okay. S 2> มันก็จะคิดงานไม่ออก <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นการที่หลังจากเรามีสติแล้วเราต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วตรงนี้แหละคุณจะสามารถไปคิดงานได้ สอบ่านอ่ า, านหนังสือรู้เรื่องอยู่ในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นตกใจเราก็ควบคุมสถานการณ์ได้ไป <Okay. S 2> พูดหน้าอ่าประชุมหน้าที่เวทีก็ไม่ประมาดมีสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจิตเราก็มีกําลังในการคิดการแก้ไขส <Okay. S 2> ั่งจิตได้อยาให้คิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วให้คิดเรื่องที่อยู่เฉพาะหน้าสั่งได้ซ้ายขวาหน้าหลังอ <Okay. S 2> ืคซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่วัดตาดังไอโซเนี่ยได้มีการฝึกปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกๆเดือน <Okay. S 2> คนที่จะมาทําจิตให้สงบตรงนี้ได้เนี่ยจุดประเด็นหนึ่งที่พระพุทธเจ้า พ, พูดถึงก็คือให้มีการหลีกเร่น <Okay. S 2> การหลีกเร่นนี่ก็คือว่าอยู่ในที่เงียบๆสงบแต่บางทีคนที่อยู่ในงานหรือทำงานสํานักงานอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 2> เวลามีเรื่องที่ต้องคิดเนี่ยมันต้องอยู่เงียบๆคนเดียวใช่ <Okay. S 2> ไนั่นก็เรียกว่าเป็นการหลีกเล่นระยะสั้นอย่างหนึงเหมือนกันอืมจค่ะ จิตเล่นอย่างคุณเตือนใจบางทีคิดเรื่องงานนี้อยู่เนี่ยเขียนโครงการอะไราา ต, าต่างๆเนี่ยเนาะมันต้องเย็นๆงงงง <Okay. S 2> นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าเราจะได้มีสมาธินะเ so จ้าค <Okay. S 2> ่ะใช่เพราะหลีกเล่นแล้วเนี่ยจิตจะเป็นสมาธิได้จิตเป็นสมาธิได้เนี่ยในช่วงนั้นระยะนั้นเนี่ยเราสามารถสั่งการงานของจิตได้อืมเจ้าค่ะก็เรียกว่าฝึกจิตนะเจ้าค่ะที่วัดตาดอนหายโศกที่ อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนี่มีหลักสูตรที่พระอาจารย์พิบ์อพิปุโลเคยบอกท่านผู้ฟังแล้วว่ามีประจำทุกเดือนเลยนะเจ้าคะใช่ใช่หลักสูตรนี้จะใช้เวลากี่วันเจ้าคะหนึ่งสัปดาห์หเจ็ดวันเจ็ดวันนะเจ้าคะในเจ็ดวันนี้โยมอยากขออนุญาตกราบถามพระอาจารย์ว่า ต้องทำอะไรบ้างเจ้าคะเพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังแล้วเนี่ยหลายท่านฟังพระอาจารย์ได้เรียนชี้แจงมาว่าเราต้องฝึกจิตให้มีพลังมีกำลังเนี่ยเจ้าคะเพื่อว่าเราจะได้สามารถที่จะทำอะไรได้สาเร็จอย่างอย่างดียิ่งเนี่ยเจ้าคะจะได้จะได้ล อ, อ, องตัด ส, สินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ฝึกจิตที่จะละเอียเล้นแล้วก็ทำให้เราเกิดสมาธิที่มีกำลังอันแท้จริงอะเจ้าคะใช่ คืออขั้นตอนกระบวนการที่เราฝุดเนี่ยก็คือเอามาจากพุทธเจ้านะใช้หลักสูตรที่เรียกว่าพุทธโภชก็คือว่าให้ผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยหลีกเรนหลีกเรนเนี่ก็คือว่าไม่คุยใครไม่พูดกับใชรฉันอยู่ของฉันคนเดียวอถึงเวลากินก้าวก็ไปกินถึงเวลามานั่งสมาธิก็มานั่งถึงเวลาไาปักก็ไปพักนะเป็นการปฏิบัติแบบนี้แล้วก็อาหารที่เราจัดหามาให้เนี่ยก็เป็นอาหารที่เอ อาหารในในพื้นบ้านเรานี่แหละเป็นอาหารมังสวิรัติ่าแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยก็จะให้นั่งสมาธิอยู่ทุกวันวันละสี่ครั้งแล้วก็มีการฟังธรรมเป็นธรรมะจากพระโอษฐ์ในตอนถ้ำในสามสองสามวันแรกสามันแร ก, ก็จะให้ฝึกปฏิบัติด้วยการอทําสมธาธิคือทำศีลให้ส ง, งบทีนั้นเนี่ยก็จะเป็นการทําวิปัสสนาคือให้เห็นตามที่เป็นจริงจุก่ะ ฉะนั้นเนี่ยผู้หลีกเล่นที่มาหลีกเล่นที่ว่าตาตาไหนโศกเนี่ยก็จะได้ขั้นแรกนะจะได้อยู่กับตัวเองเจะไม่ถูกอสิ่งตาหูจมูกริ้งกายใจดึงไปมากพอจิตที่ไม่ถูกดึงไปมากเนี่ยจะเริ่มมีกําลังมากขึ้นจะรู้ว่าเอ้ยในจิตเรามีอะไรคิดเรื่องอะไรบ้างมีความกังวลอะไรพ <Okay. S 1> อ, อถึงสามารถปล่อยวางตรงนั้นได้แล้วจิตเป็นสมาธิได้เนี่ยก็จะเป็นการอำวิป <S <S ัสสนาคือให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าเออ กับสิ่งร่างกายของเราเป็นยังไงพอจิตที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเบามากขึ้นสบายมากขึ้นอ่าผู้ที่มาหลีกเรนเนี่ยได้รับประโยชน์หลายอย่างกักที่อยาสมาได้ฟังนะค่ะางท่านเนี่ยก็ประโยชน์ในหน้าที่การงานเนี่ยโอ้พูดกันไม่จบอ่ามีในทาหารท่านหนึ่งนะมาก็เคยมานั่งสมาธินี่แหละท่านก็พอกลับไปปฏิบัตรริราชการตามเดิมแล้วเนี่ยก็พบว่า โครงการรต่างๆที่ตัวเองวางแผนไว้เนี่ยคิดได้อย่างดีมากขึ้นเตรียมการงานดีขึ้นหัวหน้าลและเจ้านายต่างๆก็อนุมัติผ่านหมดทั้งที่ตอนแรกคิดว่าจะมีปัญหานักเรียนที่อยู่ในระดับมปลายหรือว่ามต้นที่เคยมาหลีเล่นปฏิบัติเนี่ยพอกลับไปการเรียนดีขึ้นก็สอบเข้ามาวิทยาลัย ไ, ได้ก็มีหลายคนที่มาพูดให้ฟัง่ ช, ชาวบ้านชาวช่องที่ทํางานอยู่เนี่ยวก็พบว่าความสัมพันธ์กับครอบครัวของตัวเองดีขึ้น เพราว่าตัวเองเนี่ยจะเย็นลงไม่ด่าเขามากไม่ต่อต่อเลาะต่อเคียงครอบครัวสิ่งแมดล้อมก็เย็นลงสบายขึ้นออื่คแล้วพอตัวเองสามารถควบคุมจิตของตัวเองไม่ให้มีความกังวลอไม่ให้มีความคิดพุ่งสั้นมีแต่ความรักความเมตตาเนี่ยคนรอบข้างเขารู้สึกหมด ค, ค, คุณสนใจคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหูเพื่อนร่วมงานเนี่ย ก็ารู้สึกถึงกระแสแงความรักความเมตตากระแสแห่งความกินสมชายที่ออกมาจากตัวเราเองนะแล้วเราก็ไม่เป็นผู้ที่อ่าคิดฟุ้งซ่านอันนี้ไม่ได้เอาอันนั้นมันก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยสบายเพรอจริตของเราสบายเนี่ยมันก็ส่งออกมาทางผิวพรรณหน้าตาะสิ่งแวดล้อมการงานการเรียนอะไรต่างๆดีขึ้นหมดซึ่งที่อามาพูดมนทั้งหมดเนี่ยนะเป็นผลพลอยได้เฉยๆหรอกอผลรับจริงๆเองเนี่ย จิตเนี่ยที่เขาจะสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยที่พุทธเจ้าพูดถึงผลลัพธ์ที่สุดยอดเลยเนยคือมันผลิพานเจ้าค่ะในเรื่องของความที่ไม่ต้องอ่ากลับมาเกิดอีกได้น้อยลงนะไม่ต้องมาเกิดอีกบ่อยๆซึ่งการเกิดบ่อยๆเนี่ยเป็นความทุกข์เจ้าค่ะมันจะเปัญหามากๆากอืมเจ้าค่ะก็เรียกว่าเออ่ถ้าผู้สนใจที่จะไปปฏิบัติธรรมในหลักสูตร ติกเรนที่วัดป่าดอนหายสูกที่ตำบลดอนหายสูกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนี่ก็จะได้แบบผลที่ตามมาทําให้สามารถฝึกจิตให้มีกําลังมีพลังมากขึ้นนะเจ้าคะ่ะเมื่อจิตมีพลังมีสมาธิดีก็เกิดปัญญาก็ทําให้ชีวิตเรานั้นเนียมีการคิดทบทวนใจเย็นขึ้นอะไรต่างๆอันนั้นเป็นผลดีที่ตามมานะเจ้าคะ่ะเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าคง ฟังมาถึงุนี้คงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านเจ้าค่ะอยากจะไปฝึกในหรือว่าร่วมการปฏิบัติธรรมในหลักสูตรหลีกเล้นของทางวัปดป่าดอนหโศกแล้วทีนี้ในเดือนหน้าเดือนเมษายนนี้พระอาจารย์วางอ่าหลักสูตรไว้จุงช่วงไหนบ้างนะเจ้าคะ่ะจุงเ<ผ>มษายนเจ้าค่ะเขจะอยู่ระหว่างวันที่9ถึง17เมษายน9ถึง17นะเจ้าคะก็จะคาบเกี่ยวทางก่อนสงการานิดนึง วันสงการ น, นะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะครับเกี่ยววันสงการเลยเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่วันหยุดที่ผู้คนสามารถมาได้เจ้าค่ะเมษายนเก้าสิบเก้าเเดือนพฤษภาก็จะเป็นวันที่สามสิบเมษาถึงอ่าวันที่แปดพฤษภามอืเจ้าค่ะก็จะห่างกันแค่สองสัปดาห์เจ้าค่ะแล้วคนที่จะไปนี่นเจ้าค่ะจะต้องจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมเจ้าค่ะก็ต้องส่งใบสมัครมาก่อน ไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่หลวงพ่อด็ c กเตอร์ม l u a n g p o r d o c t o r c o m คอมะแล้วนั้นจะมีข้อมูลการรีเกรนปฏิบัติอยู่เพราะว่าเป็นการปฏิบัติแบบรีเกรนเนี่ยมันจะต้องพักเดี่ยวแล้วก็ต้องเตรียมที่พักการพักที่วัดเนี่ยเราจะต้องจัดให้เกมอาหารใน้ดยเพราะนั้นเราต้องทราบยอดที่แน่นอนะส่วนท่านทียใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็น มีผู้ที่ผู้เล่นรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาได้บริษาคเอาไว้ให้เพื่อให้การดาเนิน ง, งานไปต่อได้เนื่องจากว่าเขาเห็นประโยชน์เจ้าค่ะก็เหมือนกับทําบุญให้มีรุ่นน้องๆได้มาปฏิบัติบริกรเลนได้พบกับสิ่งที่มีงามด้วยใช่ไ้มเจ้าค่ะ ก็สรุปว่ า, <S <S าเราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเมื่อท่านได้เข้าหลักสูตรหลกเล่นเรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะอบริจาคที่ว่าจะให้รุ่นน้องๆหรือท่านหลังๆเหมือนเป็นการทําบุญนะเจ้าค่ะให้เขาได้มาปฏิบัติธรรมด้วยอันนั้นก็สามารถทําได้ใช่ไหมเจ้าค่ะสาารถทำได้เอเจ้าคา่ะเพื่อจะจะสรุปง่ายๆตรงนี้ว่าที่เราได้กล่าวถึงเรื่องของอิทธิปฏิหาหรือว่าค si ุณสาเรื่องของขลั ง, งเนี่ยนะเจ้าคา่ะก็สามารถ แก้ไขได้ด้วยการที่ให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เ, เป็นที่พึ่ง้าค่ะโดยการที่ฝึกจิตเนี่ยให้มีกําลังการฝึกจิตให้มีกําลังเนี่ยก็จะคลายความตุ้งในเรื่องนี้ได้แล้วก็ยังมีอ่าคุณประโยชน์มากมายตามมาแล้วผลที่สุดก็คือการที่จะสามารถไปสู่มรรคผลนิพพานได้อือเจ้าค่ะอันนี้คือเป็นสุดยอดเลยนะเจ้าค่ะใช่แล้วก็ขอให้ยึดอ่าพระคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะเจ้าค่ะ ใช่จ้ะเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังพระอาจารย์พิบูลนพีปุโนได้จากษาหรือว่าสนทนธรรมมาในรายการเช้าวันอาทิตย์นี้คงจะเข้าใจถ่องแท้แล้วนะคะว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแท้จริงโดยให้เอาพระพุทธพระมพระสงค์หรือคุณพระศรีรัตนไตรัยเป็นที่พึ่งนั้นอเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะและก็สนใจอยากจะเข้าหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลักสูตรตึเกเล่นที่วัดป่าดอนไฮโซของรเรล็ดพุกุลหลวงพ่อดออรสอาดิตพัชโส หรือท่านภรครูสิทธิประภากรและพระอาจารย์ภพบุญอภิปโนโก็เชิญได้เลยนะคะเดือนเ <ะ S 1> มษายนจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่เก้าถึงวันทที่สิบเจ็ดนะเจ้าคะ่ะถูกต้องอเจ้าคะ่ะก็ขออกราบขอพระครุณพระอาจารย์ภับุญเป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะที่ได้เมตตา ม, มาแสดงธรรมกันอีกครั้งหนึง่ง <นะ S 1> เราจะกลับมาพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะเจ้าคะ่ะใช่เลยเจ้าคะ่ะเขากลับน้อสการเจ้าคะ่ะ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับปรุณได้ใหม่ในวันพรุ่นี้เวลาห้านาิกาถึงห้านาฬิกาสามสนาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ